จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตที่11กันยายนพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่าจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นการดูแลรักษาจิตใจให้มีความสุขมีความเจริญมีความอิ่มมีความพอจิตใจก็เป็นเหมือนร่างกายที่ต้องมีอาหารไว้คอยดูแล อาหารที่จะทำให้จิตใจมีความร่มเย็นเป็นสุดมีความอิ่มหนำสำราญใจก็คือบุญกุศลนี่เองอาหารของใจจึงต่างจากอาหารของกายอาหารของกายก็เป็นพวกอาหารขาวหวานต่างๆแต่อาหารของใจต้องเป็นบุญเป็นกุศลเท่านั้นใจถึงจะได้ มีความสุขมีความอิ่มมีความพอสิ่งที่ทำให้ใจหิวใจทุกข์ใจวุ่นวายคือกิเลสตัณหากิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงตัณหาก็คือความอยากความอยากในกลางในรูปเสียงเกลิ่นรสเรียกว่ากามตัานหาความอยากมีอยากเป็น เรียกว่าภาวะตัญหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตันหาความทุกข์ใจความวุ่นวายใจไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้ไม่ได้เกิดจากบุคคลอื่นแต่เกิดจากความอยากความโลภความโกรธความหลงนี้เท่านั้นและสิ่งที่จะมาปราบมาระ ง, งับ มาหยุดความอยากได้มาหยุดความโลภความกลัวความหลงได้ก็คือบุญและกุศลนี่เองนี่จึงเป็นเหตุที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พุทธศาสนิกชนมันทําบุญกันอย่างสม่ําเสมอบุญที่ต้องทํานั้นก็มีหลากหลายด้วยกันเป็นเหมือนอาหารที่มีหลากหลายชนิดด้วยกันที่จําเป็นจะต้องรับประทาน ให้ครบเพื่อจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนบุญกุศลก็เช่นเดียวกันต้องทำบุญกุศลให้ครบทุกสัตว์ทุกส่วนตามเวลาที่เหมาะสมตามเหตุการ์เมื่อเราได้ทำแล้วใจของเราก็จะมีแต่ความสุขมีความอิ่มมีความพอมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับ จากมนุษย์ก็ก้าวขึ้นไปเป็นเทพจากเทพก็ไปเป็นพรหมจากพรหมก็ไปเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆจนถึงขั้นพระอรหันต์ขั้นพระพุทธเจ้าเกิดจากการทำบุญที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญมาก่อนแล้วได้นำเอามาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายเพราะพระ อ, องค์ได้รับผลของบุญแล้วนั่นเอง จึงไม่มีความสงสัยในเรื่องบุญเรื่องกุศลว่าจะยังประโยชน์ให้แก่จิตใจดังที่ได้ทรงประกาศสอนสัตว์โลกหรือไม่เพราะพระองค์ก็ทรงได้รับผลประโยชน์อันสูงสุดจากการบำเพ็ญบุญต่างๆในอดีตมาบุญจึงได้สมผลให้พระองค์ได้ตัดสรูเป็นพระ อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะทุกข์ย่อมมีต่อต่อผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ถึงแม้จะเกิดเป็นเทพเป็นพรหมก็ยังอยู่ภายใต้กฎของอนิจจ์คือความไม่เที่ยง มีเจริญได้ก็ต้องเสื่อมได้ถ้าเป็นพรหมเมื่อหมดบุญของพรหมก็จะเลื่อนลองมาเป็นเทพเมื่อบดบุญของเทพก็จะเลื่อนลองมาเป็นมนุษย์ต้องมาสร้างบุญใหม่ถึงจะกลับขึ้นไปได้ถ้าอยากจะขึ้นไปแบบไม่กลับก็ต้องสร้างบุญให้ครบทุกสัตว์ทุกส่วนถึงจะได้ขึ้นถึงขั้นพระอริยเจ้า คือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถึงจะได้ไม่เสื่อมกลับลงมาเป็นพรหมเป็นเทพจะขึ้นไปอย่างเดียวขึ้นไปจนถึงขั้นพระอาหารหันต์พระพระพุทธเจา้าอยู่ที่การบำเพ็ญบุญทุกชนิดให้ครบถ้วนดังนั้นพวกเราถ้าปรารถนาความสุขความเจริญความหลุดพ้นจากความทุกข์ เราก็ต้องหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลกันอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาทำกันในวันนี้ก็ได้มาสร้างบุญสร้างกุศลหลายอย่างด้วยกันเช่นมาทำบุญให้ทานถวายข้าวของเงินทองสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆนี่เรียกว่าทานทานนี้ก็เป็นบุญบุญเป็นความสุขใจความสะอาดใจ ความสูงขึ้นของใจบุญเกิดจากการให้ทานนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนอกจากนั้นบางท่านก็อยู่วัดถือศีลแปหรือถือศีลห้ากลับบ้านนี่ก็เป็นบุญอีกข้อหนึ่งบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการละเว้นการกระทาบาปต่างๆเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต รักทรัพย์ประพุธผิดประเวณีพูดปดมดเทศและเสพสุรายาเมานี่เป็นเป็นบุญสำหรเป็นบุญที่จะเกิดขึ้นจากการรักษาศีลเพราะจะทำให้จิตใจไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวไม่วิตกกังวลไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นใจจึงสงบต่างกับผู้ที่ไปสร้างความเดือดร้อน ไปทำบาปทำกรรมจิตใจจะวิตกกังวลว้าวุ่นขุนมัวหวาตัวเกรงว่าจะต้องถูกจับไปลงโทษหรือเกรงว่าจะต้องถูกลังแค้นแต่ถ้าไม่ได้ไปทำบาปไม่ได้ไปเบียดเบียนผู้อื่นใจก็จะไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นใจจะเย็นใจจะสบาย บุญอีกข้อหนึ่งที่ญาติโยมได้กันในวันนี้ก็คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ทรงตรัสว่ามีประโยชน์ถึงห้าประการด้วยกันถ้าฟังด้วยความตั้งใจคือฟังต้องมีสติจบจออและกายวาจาต้องสงบใจต้องนิ่งไม่ทำอะไรไม่พูดคุยกัน มีสติควบคุมใจให้ฟังเสียงธรรมที่เข้ามาทางหูแล้วก็เข้าไปในใจถ้าตั้งใจฟังอย่างนี้จะมีอนิสงฆ์5ประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเช่นเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องเรื่องของเหตุ ที่ทำให้ใจมีความสุขและเรื่องของเหตุที่ทำให้ใจมีความทุกข์เรื่องของเหตุที่จะพัฒนาจิตใจให้ก้าวขึ้นสูงถึงจุดสูงสุดและเหตุที่จะทำให้จิตใจตกต่ำถึงขั้นต่ำที่สุดนี่เป็นเรื่องที่เรามักจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันในชีวิตของเราเนื่องจากจิตใจของสว์โลก ของผู้ที่ยังมีกิเลสตัณหาครอบงำอยู่จะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้จะคิดแต่เรื่องการหาเงินหาทองหาลากยศเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายยึงไม่ค่อยได้ยินเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพอได้มาฟังธรรม ก็จะได้ยินเรื่องราวล่านี้ก็จะเพิ่มพูนภูมิปัญญาให้มีความกว้างขวาง ม, มากขึ้นเมื่อก่อนรู้แต่เพียงเรื่องการหาเงินหาทองหาความสุขทางตาหูจมูกวินกายเดี๋ยวนี้เราได้ยินได้ฟังได้รู้เรื่องของการหาความสุขด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลต่าง นี่คือหนึ่งในอนิสงส์ที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมคือจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนข้อที่สองสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเช่นวันนี้เราได้ฟังอย่างนี้วันหน้าเรากลับมาฟังเราก็จะได้ฟังอีกแต่จะมีความแตกต่างกันในความละเอียดในความลึกซึ้งหนาบาง ก็จะทำให้การฟังเทศในเรื่องบุญกุศลนี้เกิดความเข้า อ, อกเข้าใจดีมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะการฟังเพียงครั้งเดียวนี้ยังจะไม่แจ้งชัดพอต้องฟังอยู่บ่อยๆพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติวันธรรมสวรรขึ้นมาธรรมสวรก็แปลว่าการฟังธรรมนี้เองที่เรารู้จักกันในคำว่าวันพระ วันพระนี้เป็นวันธรรมมะสวนะเป็นวันฟังธรรมเป็นวันที่สาธุชนจะได้ปล่อยวางภารกิจการงานทางโลกเพื่อเข้ามาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในอดีตนั้นทรงบัญญัติตามปฏิถินของจันทรคติคือวันขึ้นแรง <c oughs> เช่นวันขึ้นแรง8ค่ำ15ค่ำ แต่เนื่องจากในสมัยปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้ปฏิทินทางจันทรคติกันเราใช้ปฏิทินทางสุริยคติเนื่องจากเป็นสากลเป็นนาน า, นาชาติเพราะเดี๋ยวนี้เราเป็นโลกใบเดียวกันอยู่ร่วมกันติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลกการจะใช้จันทรคติก็จะ ไม่เข้ากับโลกเขาไม่ทันกับโลกเขาเราเลยต้องหันมาใช้สุริยคติวันหยุดของเราจึงเป็นวันเสาร์อาทิตย์แทนที่จะเป็นวันโกนวันพระเหมือนเมื่อก่อนดังนั้นทางพระท้งวัดก็เลยต้องปรับเสริมให้มีวันธรรมสวระเพิ่มขึ้นอีกสองวันคือนอกจากวันพระวันขึ้นแรง แป้ามสิบห้าข้าแล้วก็ยังมีวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันฟังเทศฟังธรรมที่วัดนี้จะมีการแสดงธรรมอยู่อาทิตย์ละสามวันด้วยกันคือวันเสาร์วันอาทิตย์และวันพระเช่นวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็มีการแสดงธรรมเพราะการฟังธรรมนี้เป็นประโยชน์อย่างมากทรงตัดว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง ของชีวิตกาเลนะธรรมะสวนณังเอตัมมังกลมุตตมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งนำความสุขและความเจริญมาให้แก่ผู้ฟังพราะจะได้รับอนิสงฆ์ห้าประการดังที่ได้แสดงไว้แล้วสองประการด้วยกันคือจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน สองสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเกิดความเข้าใจมากขึ้นไปข้อสาเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วก็จะสามารถขจัดความสงสัยในเรื่องต่างๆเช่นเรื่องนากเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะธรรมนี้จะแสดงจะอธิบายให้เข้าใจว่านากสวรรคนี้เป็นอะไร และผู้ที่จะไปเวียนไหวตายเกิดนั้นเป็นใครกันแน่ตามหลักของพระพุทธศาสนาคนเหล่านี้มีประกอบขึ้นมาด้วยกันสองส่วนคือมีร่างกายและจิตใจร่างกายนี้เป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟมีขอบเขตมีอายุขัเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อตายแล้วก็จะ กับสลายคืนสู่ดินน้ำลงไฟไปร่างกายจึงไม่ไปเกิดใหม่แต่ใจผู้เป็นผู้ควบคุมผู้สั่งการร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี่แหละเป็นผู้ที่จะต้องรับผลบุญผลกรรมที่ใจเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายกระทาถ้าสั่งให้ทาบุญใจก็จะมีความสุขความเย็นใจ ความสุขความเย็นใจนี่แหละคือสวอรรค์ขั้นต่างๆพระอริยะหรือมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆก็อยู่ที่ใจนี้ไม่ได้อยู่เป็นสถานที่เหมือนเชียงใหม่หรือกรุงเทพแต่อยู่ภายในใจของเราเป็นภาวะหรือเป็นสภาพจิตใจถ้าเราทำบุญทากุศลสภาพจิตใจของเราจะเย็นจะสุขจะสบาย นี่เรียกว่าสวรรค์ทำมากก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปตามลําดับจนถึงขั้นที่ไม่เสื่อมก็คือพระนิพพานพระนิพพานนี้เป็นสวรรค์ขั้นสูงสุดเป็นขั้นที่ไม่เสื่อมเป็นนิบานังปรมังสุขขังปรมังสุขขังก็เป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมนั่นเองต่างกับความสุขของพรหมของเทพของมนุษย์ ที่มีความเสื่อมไปนี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของนรกของสวรรค์อยู่ในใจของพวกเราทุกคนเวลาที่พวกเราทำบาปและมีความทุกข์ใจตอนนั้นเรากําลังสร้างนารกขึ้นมาภายในใจของเราเวลาเราเกิดความโลภเกิดความหลงอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ หรืออยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจของเราก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเป็นนรกขึ้นมาแต่ถ้าใจเรามีธรรมะมีปัญญาเราจะรู้ว่าเราอยากไม่ได้กับเรื่องราวต่างๆกับสิ่งต่างๆทั้ ง, ง, ง, ง, ง, ง, งหลายในโลกนี้เพราะเขาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราเขาจะต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาเช่น ฝนตกเมื่อคืนนี้และเมื่อเช้านี้ตกอย่างมากจนทำให้เกิดน้ำท่วมขึ้นมาเราก็ไปห้ามไม่ได้แต่เราจะห้ามใจเราได้ไม่ให้ไปทุกข์ไปเดือดร้อนกับฝนตกกับน้ำท่วมถ้าเรามีปัญญายอมรับความจริงว่ามันเป็นธรรมดาของโลกนี้ต้องมีอย่างนี้มีการเจริญบ้างมีการเสื่อมบ้าง มีภัยต่างๆปรากฏขึ้นมาบ้างแต่ภัยต่างๆเหล่านี้จะไม่สามารถมาทำอะไรให้แก่ใจของเราได้เพราะใจของเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้โลกนี้เป็นโลกของรูปประทัโลกของธาตุสีดินน้ำลมไฟแต่ใจนี้อยู่ในโลกของนมามประทัเพียงแต่มีการติดต่อผ่านกระแสจิตเท่านั้นเองใจรับ ข้อมูลจากร่างกายแล้วก็สั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับโลกนี้เกิดขึ้นกับร่างกายอันนี้มันจะไปไม่ถึงใจมันจะหยุดอยู่ที่ร่างกายนี้เท่านั้นร่างกายก็ต้องตายไปตามเวลาตามเหตุการณ์ของมันแต่ความตายนี้ไม่สามารถส่งไปถึงใจได้มีแต่ใจเท่านั้นที่ จะสร้างความทุกข์ให้กับตนเองได้เนื่องจากความหลงไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นเป็นตัวของตนเป็นใจพอร่างกายเป็นอะไรที่ไม่ดีก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะไม่อยากให้เกิดนั่นเองตอนนี้เรามีพระพุทธเจ้ามาสอนแล้วว่าเราต้องแยกใจของเราออกจากกายอย่าไปยึดติดกับร่างกาย เราต้องปล่อยให้ร่างกายเขาเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาเขาจะแก่จะเจ็บจะตายจะต้องพบกับพิษภัยต่างๆก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปถ้าเราไม่สามารถที่จะป้องกันได้หรือหลบได้ก็ต้องปล่อยให้เกิดขึ้นแต่ให้รู้ว่ามันไม่มาถึงตัวเราไม่ถึงใจใจไม่ต้องตื่นเต้นเพราะใจเป็นเหมือนคนดูภาพยนตร์ ร่างกายเป็นเหมือนตัวที่เล่นอยู่บนจอภาพยนตร์คนดูไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจกับคนแสดงเพราะว่ามันคนละส่วนกันไม่เกี่ยวกันแต่ใจเรามักจะหลง ท, ง, ทงทั้งๆที่รู้ว่าเป็นภาพยนตร์ยังอดกลัวไม่ได้เวลาไปดูภาพยนตร์ผีอย่างนี้เพราะผีจะออกมาก็เกิดความกลัวขึ้นมาในใจเพราะไม่มีสติ ป, ปัญญา คอยสอนใจให้แยกแยะว่าเป็นคนคนละส่วนกันผีอยู่บนจอมันไม่สามารถมาทำอะไรคนดูได้แต่คนดูกับกลัวมากเช่นเดียวกับใจกับร่างกายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายนี้จะไม่เกิดขึ้นกับใจแต่ใจไม่รู้ใจหลงคิดว่าจะเกิดขึ้นกับใจด้วย ใจก็เลยเกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมาแต่ตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านมาสอนพวกเราแล้วว่าใจกับร่างกายเป็นคนละส่วนกันใจต้องฉลาดใจต้องมีกําลังที่จะตัดความหลงที่พาให้ไปยึดติดกับร่างกายการที่จะตัดความหลงนี่ได้ก็ต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมาสร้างเครื่องมือคือสส่วนด้วยกันคือสติ สมาธิและปัญญาถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาก็จะสามารถตัดความหลงตัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราตัดความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้พอมีสติสมาธิปัญญาควบคุมใจไว้แล้ใจก็จะไม่ทุกข์ใจจะรู้ทัน จะรู้ว่าเป็นเพียงการดูภา พ, พยนต์เท่านั้นเองเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้กับตัวเราก็ดีกับผู้ก็ดีนี้ล้วนเป็นตัวละครเท่านั้นเองเป็นตัวแสดงภา พ, พยนตร์ตัวที่เป็นเจ้าของตัวละครนี้เป็นคนดูนั่งดูกันไปในโรงในโรงภาพยนตร์ดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ ไม่ว่าจะเกิดกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองหรือบุคคลต่างๆถ้าเรามีปัญญาแล้วเราจะรู้ว่ามันไม่ได้เกิดกับเราไม่ได้เกิดกับคนที่เรารู้จักเป็นเกิดแต่เกิดกับหุ่นของเขาเท่านั้นเองเกิดกับตุ๊กตาของเขาร่างกายนี้เป็นเหมือนหุ่นเป็นตุ๊กตาที่ใจเป็นผู้สั่งการให้ทาอะไรต่างๆ ถ้ารู้แล้วต่อไปใจก็จะปล่อยวางจะไม่หลงแล้วจะไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้และที่กำลังจะเกิดต่อไปนี่คือเรื่องของก้าอนิสงส์ของการฟังเทศฟังธรรมคือจะหายสงสัยในเรื่องของนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เรื่องของการดุพ้นจากความทุกข์เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นได้ทรงปฏิบัติมาแล้วแล้วจึงได้นําเอามาเผยแพร่สั่งสอนให้แก่พวกเราพวกเราเน้นสิ่งที่จะต้องมีในเบื้องต้นก็คือต้องมีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเชื่อแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติ ต, ตามได้ คือสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆเช่นทานศีลภาวนาภาวนานี้ถ้าปฏิบัติไปก็จะได้สติได้สมาธิได้ปัญญาได้เครื่องมือที่จะมาตัดกิเลสตัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจใจก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตาเกิดอีกต่อไปนี่คืออนิสงส์จากการฟังเทศน์ฟังธรรมทำให้เราไม่สงสัยในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องการเวียนว่ายตาเกิดถ้าไม่ได้ฟังแล้วรับรองได้ว่าจะไม่รู้จะต้องลังเลยสงสัยอยู่เสมอเพราะไม่เข้าใจว่าสวรรค์เป็นอย่างไรนรกเป็นอย่างไร ส่งเครื่องบินขึ้นไปบนฟ้าก็หาสวรรค์ไม่เจอส่งเรือดำน้ำลงไปใต้น้ำก็หานารกไม่เจอเพราะว่านารกและสวรรค์ น, นี้ไม่ได้เป็นสถานที่นั่นเองแต่เป็นภาวะสภาพของใจเวลาใจมีความทุกข์วุ่นวายตอนนั้นแหละเป็นนรกแล้วเวลาที่ใจมีความสุขตอนนั้นเป็นสวรรค์ เพียงแต่นรกสวรรค์ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้มันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนื่องจากใจเราทำบาปทำบุญสลับกันไปมันก็เลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเวลาทำบาปก็เป็นนรกรุ่มร้อนใจเวลาทำบุญก็เป็นความสุขใจเป็นสวรรค์สวรรค์ที่จะเป็นของที่ต่อเนื่องก็หลังจากที่เราตายไปแล้ว พ่อบุญและบาปหรือสวรรค์และนรกที่เราสร้างกันในปัจจุบันนี้ก็จะสะสมรวบรวมตัวกันเหมือนกับเราเอาเงินไปฝากในธนาคารวันนี้เราทำบุญเรามีความสุขใจเราก็เอาความสุขใจนี้ไปฝากในธนาคารบุญวันนี้ถ้าเราไปตอนไปไปทำบาปต่อไปเราก็จะเอานารกไปฝากไว้ในในธนาคารบาปต่อไป แล้วพอถึงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะมาคิดบัญชีกันดูว่าบัญชีไหนมีมียอดสูงกว่าถ้ายอดบาปสูงกว่าก็ต้องไปใช้บาปก่อนถ้ายอดบุญสูงกว่าก็จะไปใช้บุญก่อนไปรับบุญก่อนนี่คือสัตนรกและสวรรค์ที่จะตามมาหลังจากที่เราตายไปแล้ว ถ้าเราไม่อยากจะไปนรกเราก็ต้องสร้างบัญชีบุญเอาบุญไปฝากในบัญชีบุญไว้ให้มากๆแล้วก็อย่าไปฝากบัญชีบาปอย่าไปทำบาปพอตายไปบัญชีบุญยอดของบัญชีบุญมีมากกว่าบัญชีบาปก็จะได้ไปเป็นไปสวรรค์เลยเช่นพระพุทธเจ้าในสมัยในชาติที่เป็นพระเวชสัมดอก็ทรงทำแต่บุญอย่างเดียวไม่ทาบาปเลย หรือถ้าทำก็คงจะน้อยมากพอเวลาพระเวชสันดรตายไปก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ใจเป็นสวรรค์และเมื่อบุญที่ได้ทำไว้หมดไปก็ได้กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วก็ได้มาสร้างบุญต่อจนได้ตัดสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสรณะเป็นที่พึ่งของสารโลกมาจนถึงวันทุกวันนี้เนื่องจากพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญบุญมาอย่างโชคชนนั่นเองพวกเราก็สามารถเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าได้ถ้าเราบำเพ็ญบุญเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาเพราะเหตุและผลนี้ไม่ขึ้นอยู่กับบุคคลถ้ามีเหตุก็ต้องมีผลไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชาย เป็นนักบวชหรือเป็นคารวะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ไม่สําคัญสําคัญที่เหตุคือการกระทําถ้ามีเหตุคือการกระทําการทำบุญอย่างต่อเนื่องไม่มีการกระทําบาปหรือทำให้น้อยที่สุดผลของบุญก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนจึงไม่มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวไม่มีพระอาหารหันต์เพียงองค์เดียว มีพระพุทธเจ้ามากมายนับไม่ถ้วนและมีพระอาหารหันต์มากมายนับไม่ถ้วนเพราะว่ามีการมีการเจริญเหตุันั่นเองมีการทำบุญผู้ใดทำบุญผู้นั้นก็จะต้องได้รับผลของบุญผู้ที่ไม่ได้ทาบุญแต่ปรารถนาได้ผลของบุญก็จะไม่ได้บุญเช่นเวลากราบพระจุดทูปสามดอก แล้วก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้โดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยขอไปจนมันตายก็ไม่ได้ถ้าได้ก็อาจจะเป็นเป็นผลของบุญเก่าที่เคยทำมาในอดีตหรือเป็นเรื่องของความบังเอิญซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างถ้าเป็นถ้าการขอเป็นเหตุที่ทำให้เราได้ความสุขความเจริญได้เป็นเศรษฐีได้เป็นนายก พวกเราทุกคนก็จะได้เป็นเศรษฐีเป็นนายกันไปทั้งหมดแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เหตุเหตุมันอยู่ที่การกระทาคือการทำบุญชนิดต่างๆอย่างที่พวกเราได้มากระทํากันในวันนี้อา น, นิสงส์ข้อที่สี่ที่เราจะได้จากการฟังเทศฟังธรรมก็คือจะมีความเห็นที่ถูกต้อง จะรู้แล้วว่าบาปมีจริงบุญมีจริงเงลกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงและการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการปฏิบัติเพื่อจะนําไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงแล้วก็จะทําให้เราตั้งใจที่จะปฏิบัติทําบุญสร้างกุศลเพราะไม่มีใครอยากจะกลับมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์ ทุกคนอยากจะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์<ม>ก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลให้มากอานิสงส์ข้อที่5ที่เราจะได้รับก็คือจะมีจิตใจที่สงบผ่องใสเวลาฟังเทศฟังธรรมแล้วใจจะเย็นใจจะมีความสุขมีความสว่างมีความผ่องใสขึ้นมาดังนั้นการฟังเทศฟังธรรม จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำคัญกว่าสิ่งทั้งหมดเลยเพราะถ้าไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมก็จะไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรจะต้องสร้างบุญสร้างกุศลอย่างไรดังนั้นการฟังเทศฟังธรรมนี้จึงเป็นกิจที่สำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าจึงต้องทรงบัญญัติวันธรรมมัตสวาณะขึ้นมานั่นเองหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนก็คือ จะต้องเข้าวัดในวันธรรมวัฒสาวนะถ้าไม่วันขึ้นแรงก็ต้องวันเสาร์วัิตีถ้ายังปรารถนาความสุขความเจริญความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี่คืองานของพุทธศาสนิกชนหน้าที่ของพวกเราหน้าที่ของเราก็คือดูแลรักษาใจด้วยการสร้างบุญ ส, สร้างคุณสต่างๆนั่งที่ได้แสดงมาในวันนี้